ความสุขความทุกข์ของพวกเราอยู่ที่จิตของพวกเราพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมดีแล้วนําความสุขมาให้อย่างยิ่งจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนําความทุกข์มาให้อย่างยิ่งสุขทุกข์อยู่ที่จิตอยู่ที่การอบรมหรือไม่อบรม อบรมจิตแล้วจิตจะเชื่องจิตจะว่านอนสอนง่ายจิตจะไม่เดือจิตจะไม่ไปสร้างปัญหาต่างๆถ้าไม่ได้รับการอบรมจิตจะเป็นจิตที่ดือด้านจะไปสร้างปัญหาต่างๆสร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมานี่แหละคือ หลักของการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังเป็นเหมือนสัตว์ป่าเหมือนม้าป่าม้าป่านี่ถ้าไปถี่มันมันจะพยศมันจะถีบจะเตะจะพยายามทําให้คนขี่นั่นตกลงจากหลังม้าให้ได้เพราะมันไม่ต้องการให้ใครมา ควบคุมบังคับมันแต่ถ้าหลังจากได้ควบคุมบังคับมันได้แล้วมันยอมแพ้แล้วมันก็จะเชื่องมันก็จะให้คนขี่ขี่ยงสบายคนขี่สั่งให้ไปไหนมันก็ไปตามคำสั่งจิตของพวกเราก็เป็นเหมือนสัตว์ป่าที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรม จึงต้องทรมานจิตต้องต้องควบคุมบังคับจิตให้มันอยู่ภายใต้คำสั่งของสติให้ได้ให้อยู่ภายใต้คำสั่งของสติและปัญญาสติปัญญานี้เป็นเหมือนคนขี่มา้าคนขี่มา้าเนี่ถ้าควบคุมบังคับม้าได้แล้วม้าก็จะเชื่อง มันก็จะว่านอนสอนง่ายสั่งให้วิ่ง ม, งมันก็วิง่งสั่งให้มันหยุดมันก็หยุดเห็นไหมเห็นมาที่ก็ฝึกดีนะเต้นระบําก็ได้นะอ่าจิตเราก็เหมือนกันจิตของพระพุทธเจ้าจิตของป้าอาลามตาสาวกนี่อ่าเป็นจิตที่ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วมีแต่ความสวยงามทุกกิริยาการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรสวยงามเป็นที่ชื่นชมของบุคคลที่ได้เห็นใครได้เห็นพระอริยสงฆ์เห็นพระพุทธเจา้าแล้วนี้จะมีแต่ความชื่นชมยินดีมีความสุข ดังในมงคลสูตรที่สั้นทรงตัดไว้ว่าการได้เห็นส ม, มณะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะก็กิริยาการของส ม, มณะนี้สวยงามเหมือนมาที่เขาสอนให้เต้นระบำไดนะ้มาที่เต้นระบำกับมาที่ไม่เต้นระบำนี่ดูมีความแตกต่างกัน สัตว์ต่างๆที่เขาเอามาเล่นในโรงละครสัตว์ก็เหมือนกันนะเป็นสัตว์ที่เขาได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้ควบคุมบังคับนะให้ช้างเล่นเหมือนเด็กก็ทำได้นะให้เล่นฟุตบอลอช้างแต่ฟุตบอลเคยดูละครสัตว์ั้ย ใ้จ้างให้เสือให้อะไรทำอะไรซึ่งสัตว์อันนี้ธรรมดาก็จะเป็นสัตว์ดุร้ายแต่พอมาฝึกฝนมาสอนเขาแล้วเขาก็เชื่อเขาก็ไม่ดุร้ายไม่ทำร้ายใครจิตก็เหมือนกันจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนี้เป็นจิตที่ดุร้ายโหดเหีม่มทารุณ จิตที่ฆ่ากันจิตที่ไปเบียดเบียนกันไปข่มขืนชำเราพูดไปทำลายทำลายข้าวของทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเป็นจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตพวกนี้ไม่ต่างกับกับสัตว์ป่าทึ่งจะต้องถูกจับขังไว้ในกรง เห็นไหมพวกที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมพวกที่มาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจเขานี้เป็นเหมือนสัตว์ป่าเขาจึงอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ต้องจับไปขังไว้ในคุกตารางคุกตารางก็ที่อยู่ที่เหมือนกงเหมือนคออที่เขาสั่ง เขาขังสัตว์ป่าไว้เพื่อจะได้ไม่ออกมาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่จิตที่สามารถอยู่ภายใต้กฎ ร, ระเบียบได้ก็เขาก็ไม่จับไปเข้าคุกเข้าตารางอย่างจิตของพวกเรานี้ ก็ได้รับการฝึกฝนอบรมมาในระดับหนึ่งในระดับขั้นต้นคือให้รู้จักอยู่กันอย่างสงบอยู่กันโดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่กันและกันคืออย่างน้อยรู้ว่าต้องไม่ฆ่ากันต้องไม่รักทรัพย์ของผู้อื่นต้องไม่ประพฤติผิดประเวณี ต้องไม่โกหกหลอกลวงต้องไม่ดือดรุรายา ม, มาก็จะทําให้อยู่ในสังคมกันได้อย่างสงบในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สงบเต็มร้อยยังมีการแข่งขันกันอยู่ยังมีการแข่งแย่งชิงดีกันอยู่ อันนี้ก็ต้องถ้าอยากจะให้จิต ด, ดีขึ้นสวยงามกว่าก็ต้องเพิ่มการฝึกฝนอบรมให้มากขึ้นถ้ายังไม่มีความเมตตาก็ต้องอฝึกฝนให้จิตมีความเมตตาความเมตตาคืออะไรก็คือการ ไม่จองเวรจองกรรมกันเวลามีปัญหากันเวลามีอะไรเกิดความเสียหายเกิดใครทำอะไรให้เกิดความเสียหายก็ให้อภัยกันอย่าจองเวรจองกรรมกันเพราะบางทีมันมีการผิดพลาดขึ้นมาได้บางทีไม่มีความตั้งใจ ก็อย่าไปทำร้ายผู้อื่นเพราะว่าจะทำให้เขากลับมาทำร้ายเราแล้วก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่ถ้าให้อภัยเราไม่ไปทำร้ายเขาเขาก็จะไม่มาทำร้ายเรา อันนี้ก็เป็นเมตตาอย่างหนึ่งคือการไม่จองเวรกันวิธีไม่จองเวรก็คือต้องให้อาภัยยกโทษให้ไม่ถือโทษโกดเกลือกันถือว่าอยู่ด้วยกันก็มีการผิดพลาดได้เหมือนลิ้นกับฟันเแลวฟันกัดลิ้นเราก็ไม่ไปถอนฟันทิ้ง เราก็ให้อาภัยฝันมันจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันก็มีโอกาสที่จะรล่วมละเมิดกันด้วยเจตนาก็ดีเริ่มด้วยไม่เจตนาก็ดีก็ถ้าเขาทำบ่อยๆให้อาภัยแล้วก็ยังทำอีกอเราก็ต้องหามาตรการป้องกันแต่เราไม่ต้องทำร้ายเขา จะต้องมีมาตรการป้องกันไม่เข้ามาทำร้ายถ้าเราป้องกันได้เช่นบอกเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่มาจัดการให้เขาไปอยู่ในที่ที่สงบที่ไม่สามารถไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้อันนี้ก็ไม่ได้ขาดความเมตตาแต่ เป็นการทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามมาให้เขาไปอยู่ในที่ที่ไม่สามารถไปทำร้ายผู้อื่นได้แต่ไม่ต้องไปฆ่าเขาเป็นโทษประหารชีวิตนี่มันถ้าเป็นพูดจริงๆคงจะไม่มีโทษประหารชีวิตมีอย่างมากก็แค่จำคุกตลอดชีวิต เพราะว่าการฆ้ามันก็เป็นบาปเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันแต่การไปกักขังเขาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นอาจจะเป็นเวรกรรมบ้างแต่ไม่หนักเหมือนกับการฆ่ากัน คนส่วนใหญ่เขาจะไม่จองเวรจองกรรมเวลาถูกจับไปขังในคุกออกจากคุกตารางมาเขาก็ไม่ไปตามไปร่างแค้นคนที่ไปฟ้องร้องไปแจ้งความจากเขาเพราะเขาก็ยอมรับความจริงว่าเขาเขาผิดเขาทำผิดเองเขาก็ต้องไปรับโทษรับใช้โทษของเขา การการมีศีลการไม่ทำบาปนี่ก็เป็นการมีความเมตตาอย่างหนึ่งเราไม่ฆ่าผู้อื่นนี่เราก็เมตตาเขาละเขาเขาจะฆ่าเราแต่เราไม่ฆ่าเขาเพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระเทวทัตพยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งครั้งแรกก็ส่งคนไปส่งมือปืนส่ง คนไปฆ่าแต่ก็ฆ่าไม่สําเร็จครั้งที่สองก็เลยปล่อยช้างออกมาหวังว่าให้ช้างฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ช้างก็ไม่ฆ่าเพราะบาลเมความเมตตาของพระพุทธเจ้าครา้งที่สามเลยขึ้นไปอยู่บนเขารอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมา แล้วก็เก่งก้อนห็นลงมาหวังให้ก้อนห็นทับพระพุทธเจ้าตายแต่ก็ไม่โดนพระพุทธเจ้ามีแต่สะเก็เห็นไปทําให้ประบาดของพระพุทธเจ้าห้องเลือดการทําให้ประบาดของพระพุทธเจ้าห้อเลือนนี้ก็ถือเป็นกรรมหนักอย่างยิ่ง พระเทวทัพจึงต้องไปใช้กรรมตายไปแล้วก็ต้องไปตกนรกขุมที่ลึกที่สุดโทษที่หนักที่สุดคนผู้ที่จะไปรับโทษหนักที่สุดนี้คือผู้ที่ทำอนันตริยกรรมคือกรรมที่หนักที่สุดมีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือฆ่าพ่อข้อที่สองข้าแม่ ข้อที่สามาพระอาหารหันต์ข้อที่สี่ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดข้อที่ห้าทำให้สงเกิดความแตกแยกสามโอเคอันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นบุคคลผู้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ทำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ได้อย่าง สูงสุดพ่อแม่ก็ให้กำเนิดกับลูกพระพุทธเจ้าก็ให้พระ น, นิพพานพระอรหัน์ก็ให้พระ น, นิพพานพระสงฆ์ก็เป็นที่ผลิตพระอรหันต์ถ้าไม่มีพระสงฆ์ก็จะไม่มีพระอรหันต์ต้องมีสงฆ์เวลาจะบวชนี้ต้องมีสงฆ์ อ, งงอย่างน้อยสิบรูปถึงจะบวชได้ เราต้องมีสงเป็นครูเป็นอาจารย์คอยสั่งคอยสอนให้รู้จักการศึกษาให้ให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อจะทําให้จิตนี้เป็นจิตที่เชื่องเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่นําแต่ความสุขมาให้เป็นอย่างเรีวนีความสําคัญของสองสําคัญมากถ้าไม่มีสง์ก็ไม่มีศาสนา ต่อไปถ้าไม่มีใครบวชต่อไปก็จะไม่มีาศาสนาไม่มีใครมาสอนเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจต่อไปสังคมก็จะวุ่นวายออจะถูกความหลงหลอกให้ทำบากกันแก่งแย่งชิงดีกันเพราะคิดว่าเป็นวิธีหาความสุขกัน แต่เป็นวิธีอยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่กันอย่างเดือดร้อนโดยไม่รู้สึกตัว mm hmm. จิตของจิตใจของมนุษย์จะเสื่อมลงไปเรื่อยเพราะศาสนานี่จะเสื่อมไปเรื่อยๆผู้ที่มาฝึกฝนอบรมจิตใจนี้จะเสื่อมลงไปเรื่อยเมื่อจิตใจไม่มีการฝึกฝนอบรมไม่มีผู้มาสั่งมาสอนมันก็จะเสื่อมไป จากมนุษย์ก็จะเสื่อมไปเป็นสัตว์ป่ากันเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปสังคมนี้จะอยู่กันแบบสัตว์ป่าสัตว์เดรัจฉานจะค่าฟันกันดูตัวอย่างในสังคมที่ไม่มีพระพุทธศาสนานในประเทศที่เขาอยู่นี้ทำอารรชีพค้ า, ายาเสพติดนี้ตรงนี้เขา อยู่กันเหมือนสัตว์ป่าเขามีอาวุธ<อ><อ>เขาฆ่ากันในประเทศที่เขามีสงครามกันต่างรัฐถิ์ต่างศาสนากันฆ่าฟันกันเพราะไม่มีความเมตตาต่อกันอมองเขาเป็นสัตว์โจเป็น้าสศึก ไม่มองให้เห็นว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันผู้ที่มีความเม่ตาจะเห็นสรรพสัตว์เห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมีความปรารถนาที่จะหาความสุขด้วยกันทุกคนไม่มีความต้องการความทุกข์ด้วยกันทุกคน ผู้ที่มีความเมตตานี้จะไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นจะมีแต่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นช่วงเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยเราส่งสกอสอกันใชนะ่ไหมสกสแปลว่าอะไรส่งความสุขเนีย่ยนี่คือแผ่เมตตาต้องแผ่แบบสกสอไม่ใช่แผ่แบบนั่งสมาธิแล้วก็สวดแผ่ไปอย่างนั้นอันนั้นไม่ได้แผ่ อันนั้นเป็นการฝึกจิตให้มีความเมตตาเวลาจิตสงบแล้วจิตจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากความเมตตามันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธขึ้นมาความเมตตามันจะหดหายไปเราจึงต้องอเราก็เลยต้องสวดบทแผ่เมตตาเพื่อให้จิตสงบ เสนอสวดเพื่อให้เราเตือนใจเราสอนเราว่าเราต้องมีความเมตตาความเมตตานี่มีอยู่สี่ลักษณะหนึ่งอเวราโหตุไม่จองเวนกันอัปยาป ช, ชาโหตุไม่เบียดเบียนกันอานิคาโหตุมีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขีอัตนาลังอัตปาลิฮะรันตุมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขที่เกิดจากการกระทำของเราเช mm hmm. ่นส่งสอกระสกันส่งของขวัญกั น, นตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแผ่เมตตากันทั่วโลกคลิสมกคลิสมานี่แผ่เมตตากันใหญ่ซื้อของออนไลน์กันไม่รู้เป็นกี่แสนล้าน แผ่เมตตาเงิเนีเงิเนได้ไปซื้อของแล้วก็เอาของไปแจกกันไม่คิดเงินกันให้ความสุขกันคนได้รับของขวัญก็ดีอกดีใจมีความสุขกันแต่ไม่ควรจะแผ่เฉพาะช่วงนี้ไม่ควรจะแผ่ทุกวันแผ่มากแผ่น้อยก็แผ่ไปเห็นใครทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไป มีของอะไรเหลือก็เหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแบ่งกันแจกกัน<ม>ชาวพุทธเรานี่แผ่เมตตาทุกวันใส่บาตรทุกวันชาวบ้านที่บ้านอาเภอเนี่ยเขาใส่บาตรทุกวันไป้บินฑบาทมาสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยไม่ขาดเลยเขาใส่บาตรกันทุกวันเขาแผ่เมตตากัน เขาให้ความสุขแก่ผู้อื่นเขาช่วยเหลือกำจัดความทุกข์ทางกายทางใจที่เกิดจากการขาดแคลนอาหารไปบ้านอำเภอแล้วกลับมาอิ่มไม่หิวไป ม, มินทบาทกลับมาอาหารเหลือเฟือนี่คือการฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นจิตที่ นำความสุขมาให้กับตนเองและกับผู้อื่นผู้ที่มีความเมตตานี้จะมีความสุขและจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขที่ให้ผู้อื่นนั่นแหละทำให้ผู้ให้มีความสุขผู้ให้จึงเป็นผู้ที่รักน่ารักของผู้อื่นอันิสงของความเมตตาท่านก็นแสดงไว้ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลายจะไม่มีใครเกยดช่างคนที่เมตตามีแต่คนรักอยู่อยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะรู้จักเพราะผู้มีความเมตตาจะไม่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับใครมีแต่สร้างประโยชน์สร้างความสุขจึงเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย จะไม่ตายด้วยยาพิษหรืออาวุธจะตายแบบธรรมชาติเพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังไม่มีใครที่จะไปจ้างมือปืนมาฆ่าไม่มีใครที่จะไปลอบวางยาพิษอาอไม่มีใครเกลียดชังมีแต่คนรัก <c oughs> ตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้าย ตายไปก็ไปสู่สุขติไม่ไปทุกขติไม่ไปอบายผู้ที่มีความเมตตาเพราะไม่เบียดเบียนไม่ทําบาปผู้มีความเมตตาจะไม่ฆ่าไม่ลักัลอบของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีเพราะการประพฤติดประเวณีไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นไปสร้างความทุกข์ให้กับสามีภรรยาของผู้อื่นเขา สามีถ้ารู้ว่าภรรยาไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นสามีก็จะทุกข์จะเสียใจภรรยาก็เช่นเดียวกันถ้าไปรู้ว่าไปหลับนอนกับผู้อื่นก็จะเสียใจจะทุกข์คนที่มีความเมตตาก็จะไม่อยากสร้างความทุกข์สร้างความเสียใจให้แก่ผู้อื่นก็จะงดเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี งดเว้นจากการพูดปลดหลอกลวงมดเว้นจากการดื่มสุรายาเมาที่จะทำให้มึนเมาแล้วก็ไปทำบาปได้ง่ายทำให้ผู้อ่นเดือดร้อนเสียหายนี่คือเอาเวลาออาปยาประชาโหงตุกคือไม่เบียดเบียนกันคือมีศีลห้า ผู้ที่มีศีหน้านี่เรียกว่าเป็นผู้มีความเมตตาผู้ที่ให้อภัยเป็นเป็นผู้ที่มีความเมตตาเห็นไหมตอนนี้มีข่าวว่านักโทษที่เขาจราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเขายังเอาป่วยออกมารักษาตัวอยู่กับบ้านได้นี่ก็อภัยให้อภัย พอก็ออกมาก็จะไปทำอะไรก็ไม่ได้แนละ้ะไปทำสร้างความเสียหายอะไรให้กับผู้อื่นก็ไม่ได้อยู่ในคุกอาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรแต่ให้ออกมาอยู่บ้านจะได้มีคนดูแลนี่ก็คืออภัยอภัยยาทาน อย่าไปอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกั น, น<ม>เพราะมันจะเขาก็จะทาแบบเดียวกับเราถ้าเราอาฆาตเขาเขาก็จะอาฆาตเราเราจะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขจะอยู่กันอย่างหวาดระแวง<ม>ให้อาภัยกันไม่เบียดเบียนกัน<ม>ช่วยเหลือกันให้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจ หน้านี่หน้าหนาวคนยากคนจนไม่มีเสื้อหนาวไม่มีผ้าหม่มเขาก็ทุกกายทุกใจกันก็ไปช่วยเหลือกันซื้อเสื้อหนาวซื้อผ้าหม่มเมื่อเช้ า, านี้ก็มียาตนมยมเอาเสื้อหนาวมาถวายอังสัมกังหนาวเห็นอาการหนาวกลัวผ้าจะไม่มี เครื่องนุ่ห่มกันหนาวก็เอามาถวายอันนี้ก็เมตตาเป็นการให้ความเมตตาใส่บาตรก็เป็นความเมตตากลัวพระจะอดอยากแต่ไม่ควรใส่แต่ผ้าพระอย่างเดียวควรดูพวกที่เขาไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือได้บุญเหมือนกันใส่บาตรกับพระใส่บาตรกับขอทานทำบุญ ให้ทานกับขอทานก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะเป็นความเมตตาให้ความสุขแก่ผู้อื่นกำจัดความทุกข์ทางกายทางใจของผู้อื่นเะฉั้นถ้าเราเห็นผู้ใครเดือดร้อนก็ถ้าเราอยากจะแผ่เมตตาก็แผ่ได้เลย อย่าไปแผ่ตอนที่นั่งคนเดียวนั่งในห้องพระสวดมนต์เจ็ดแล้วก็แผลอันนั้นไม่ได้แผลเพราะไม่มีคนรับนะต้องมีคนรับถึงจะแผ่ได้อันนั้นเป็นการศึกษาหรือเป็นการเตือนใจสอนใจให้รู้ว่าการแผ่เมตตา ม, มีมีกี่วิธีด้วยกันมีสี่วิธี ให้อภัยกันไม่จองเวรกันไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือกันให้หลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ให้ความสุขกันด้วยการแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้เก็บไม้ก็ไม่ได้ใช้อะไรให้เกิดประโยชน์ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอามาแผ่เมตตกันดีกว่า มาทำบุญกันแล้วจะได้บุญติดตัวไปบุญก็จะเป็นเหมือนทรัพย์ที่เราใช้เวลาเราไปต่างประเทศเนียต่างประเทศนี่เราต้องเอาเงินบาทไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงินดอลหรือถ้าในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นบิตคอยนะ์นะถึงจะซื้อของงด้ใช่หไหมเอาว่า ในแต่ละสถานที่เขามีเงินตาใช้ต่างกันโลกทิพย์ที่พวกเราจะไปกันหลังจากที่เราตายเขาก็มีเงินตาต่างจากโลกกรธาตุที่เราอยู่กันตอนนี้โลกกรธาตุเราอยู่กันเราใช้เงินบาทใช้เงินอะไรกันแต่เวลาเราจากโลกนี้ไปเราไปอยู่ในโลกทิพย์เราต้องใช้บุญเท่านั้นบุญนี่แหละเป็นเหมือนบิดคอย ถ้าเข้าเน็ตนี้ถ้ามีบิตคอยก็ซื้อของได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าตายไปถ้ามีบุญติดตัวไปก็ไปท่องเที่ยวไปอยู่โรงแรมห้าดาวไปกินร้านอาหารห้าดาวไปเที่ยวระดับห้าดาวว่ามีบุญเป็นเงินไว้ใช้ใจ่าย ถ้าไม่มีบุญติดตัวไปก็ต้องไปเป็นขอทานในโลกทิพย์ไปขอส่วนบุญของพวกเราเนี่ยที่ยังไม่ตายกันเนี่ยพวกเราที่ไม่ตายเวลาเราทําบุญเราก็ส่งส่งเงินส่งบุญไปใ ห, ให้กับพวกที่เขาตายแล้วได้เพียงแต่ว่าส่งไปไม่ได้มากกันเองส่งได้ร้อยละสิบหรือไม่ถึงจะได้ซ้ําจากบุญที่เราทำเนี่ย ก็พอที่จะให้เขามีอะไรกินได้มีอาหารมีบุญพออยู่แบบให้แบบไม่ทุกข์ยากลำบากนี่ก็คือวิธีแผ่เมตตาถ้าเราทุกคนรู้จักแผ่เมตตารับรองได้ว่าโลกนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีทหาร ไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีระเบิดนิวเคลียร์ไม่ต้องมีสารไม่ต้องมีคุกมีตารางจะไม่มีการฟ้องร้องกันทำอะไรผิดพลาดกันก็ให้อาภัยกันไปขับรถชนท้ายก็นไม่เป็นไรชนแล้วก็ไปทำกั็ได้มันชนแล้วก็ไปซ่อมกันคนที่ชนก็ช่วยรับผิดชอบ้า ถ้าซ่อมให้เขาได้ก็ซ่อมไปยอบผิดชอบไม่ต้องการให้คนที่ถูกชนเดือดร้อนไม่ใช่ชนแล้วก็หนีกันสังคมเราขาดความกันขาดความเมตตามากถ้าอยากจะดูว่ามีเมตตามากน้อยดูบนท้องถนนกันเห็นไหมแสกันแซงกันเบียดกั น, ก น, ก น, แบบกนปาดหน้ากันอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของความมีเมตตา อยู่บ้านอาจจะสวดมนต์สัพเพสัตตาพอมนขับรถขึ้นบนทอน้องถนนนี่สัพเพสัตตาหายไปหมดเลยมีแต่กูจะไปเร็วๆ <c oughs> <c oughs> ใครอย่ามาขวางกูน <c oughs> ใครขับรถช้าหน่อยก็บีบแกไล่เลยปีนปีนดีไม่ดียากเคียวใส่กันนะ แซงขับแซงแล้วยังต้องเปิดประตูมาด่ากันอีกเปิดหน้าต่าง ม, มาด่ากันอีกไอ้ห่าแล้วดีไม่ดีก็เดี๋ยวจอดรถมายิงกันเพราะความอยากอยากไปให้เร็วๆอยากไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆก็เลย พอไปไม่เร็วนี่ก็โกรธพวกที่มาฝวางทางคนขับบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าขวางเขาก็มีความสุขคุยกับแฟนจูจีเกันไปเขาก็เลยไม่ได้ขับเร็วเพราะไม่อยากจะไปถึงเร็วไอ้ <c oughs> พวกอยากจะไปถึงเลยว่าโกรธขับช้าๆขวางทางขวางรถกันอื่นพอแซงบางทีก็เปิดหน้าตาา่างมาด่า ดาพอคนถูกด า, า ก, ดก็โกรธหรือก็ควักปืนมายิงกันเนี่ยไม่มีความเมตตากันหมดเลยถ้ามีความเมตตก็เอาเขาช้าก็ช้าเราแซงได้ก็แซงแสงไม่ได้ก็ตามไปก่อนหรือส่งสัญญาณให้เขารูว่าอ่าเป็นช้าเกิน ไ, ไปแล้ะหรือถ้าเวลาจอดรถ ตอนนี้รถติดพอถึงทางแยกก็อย่าไปจอดขวางทางก็ได้ตรงนั้นให้รถที่เขาอยากจะออกมาเขาออกได้บางครันก็ไม่ยอมไปขวางทางาให้รถที่เขาอยากจะออกมาออกไม่ได้อันนี้ก็ไม่เมตตามอานกันห่วงที่กลายเขาออกไปเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาไปได้ก่อนเข้าไปเราไปไม่ได้เราก็รอก่อนเปิดช่องให้เขาไปก็ได้ บางทีไม่ยอมเปิดช่องปิดอยากจะรู้ว่ามีมีเมตตามากน้อยดูตอนขับรถกันก็รู้ถ้ามีความเมตตาใครอยากจะแซงก็ปล่อยเขาแซงไปใครอยากขอทางเรียวซ้ายเลี้ยวขวาก็เปิดทางให้เข้าไป น, นี่คือความเมตตาให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้ความสุขความสะดวกแก่ผู้อื่นก็เป็นการให้ความเมตตาเะนั mm ้น hmm. ผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะเข้าใจผิดคิดว่าแผ่เมตตาคือการนั่งสวดกันพ mm hmm. อ น, นั่งสมาธิก่อนเสร็จแล้วต้องแผ่เมตตากันสัเพสตาอเวราโหนตุอัปยาปชาัชะ อา น, นิคาโหนตุอภบยาปชาสุขีอัตานางาังปะลิหะรันตะุอันนี้ไม่ได้แผ่นะไม่มีผู้รับไว้ไปแผ่เวลาขับรถนะเวลารถแทงกันไม่รถรถเบียดกันนะการอยากจะแซงการอยากจะเบียดกนาะรอยากจะแทรกก็ให้เขาขับแทรกไปแซงไปนะเดี๋ยวก็ถึงเหมือนกันอนะ่ะชา้าไปสองสามวินาทีนะ ไหวเแทรกไปเถอะเบียดไปเดี๋ยวก็ถึงคนตลาดก็ออกเผื่อเวลามันหน่อยสิดังนั้นเผื่อเวลาสักสิบนาทีก็จะได้ขับสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนก็บางทีก็ไม่เอาเอาเวลาไปนั่งทําอะไรก็ไม่รูพอถึงเวลาถึงค่อยขึ้นพอขึ้นรถ ก, กับเบียดเร่งกันยีเหยียบกันสุดนี่ไม่ดีเดี๋ยวก็ไปชนกันไป แทนที่จะไปถึงที่เร็วกับไปไม่ถึงที่ต้องไปเรียกประกันมาเรียกอะไรมาเสียเงินเสียเวลาแล้วรถบางทีก็ใช้ไม่ได้ต้องเอาเข้าอู่ไปไหนไม่ได้ต้องเช่ารถเนี่ยเพราะความรีบร้อนถ้าเผื่อเวลาไว้สักหน่อยสมมติว่า ต้องเดินทางจากที่นี่ถึงที่นั่นใช้เวลาสามสิบก็เผื่อวันทั้งสิบสิบนาทีนี่ออกก่อนนึกสินาทีเผื่อรถติดเผื่ออะไรบ้างเดี๋ยวมันก็จะได้นั่ขับได้แบบสบายสบายไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบไม่ต้องเสี่ยงบางทีต้องเสี่ยงเพรารีบต้องเสี่ยงแซงบางทีแซงไม่ทันก็ชนกันอีก นี่คือการทำลายโดยไม่ใช้ความคิดไม่ใช่เหตุใช้ผลเงนใช้อารมณ์ <c oughs> ยังต้องมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบให้ลดความโลภโกรธลงลดความอยากลงแล้วใจจะเป็นใจที่ไม่เครียดใจที่จะเย็นสบายใจที่จะมีควา ม, มเมตตา พอเราไม่เครียดพอเรามีความสุขเราก็แผ่เมตตาออกถ้าเราเครียดนี่เราแผ่ไม่ออกนอกจากการมีเมตตาแล้วเราก็ต้องมีความการุณาความสงสารสงสารผู้ที่เขากด้อยกว่าเรา อย่าดูถูกดูแพลนกัน mm hmm. ควรช่วยเหลือกัน mm hmm. มีความสงสาร mm hmm. ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหลือ่อยล้น hmm. แต่ก็ช่วยในขอบเขตของความของความช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่าไปช่วยบาให้เขาช่วยตัวเองไม่ได้เช่น mm hmm. คนล้มก็อย่าไปอุ้มเขา ก็พยุมเขาให้เขายกขึ้นมาเดินให้เขาหให้เขาเดินไปเองไม่ใช่พอเขาล้มก็อุ้มเขาต่อไปเขาก็สบายเขาก็ล้มหนู่เรื่อยๆให้เราไปอุ้มเขาอยู่เรื่อยๆถ้าอย่างนี้มันก็ช่วยเหลือไม่ถูกช่วยเหลอต้องช่วยให้เขาให้ยืนบนน้ำแข้งน้าขาของเขาเองได้ให้เขาช่วยตัวเขาเองได้ บางทีเราช่วยเหลือลูกเราก็ช่วยผิดอยากให้ลูกเรามีความสุขก็เลยให้มันสบายไม่ให้มันทําอะไรเลยมันทําอะไรไม่เป็นเลยแล้วต่อไปมันก็จะทําอะไรไม่เป็นมันก็จะมาให้เราทําอยู่เรื่อยๆนั้นต้องช่วยแบบให้มันไปช่วยตัวเองให้ได้ช่วยส่งให้ไปเรียนหนังสือ เรีนทั้งเสร็แล้วก็ช่วยหางานให้ให้ไปทำงานไม่ใช่บางคนเรียนจบก็ไม่ต้องทำงานให้อยู่บ้านเฉยๆมีเงินอยู่ที่บ้านใช้เงินที่บ้านมันไม่รู้จักหาเงินรู้จักแต่ใช้เงินต่อไปมันก็เงินก็หมดได้นี่คือบางทีลักแบบผิดอยากให้เขาสุขสบาย ไม่อยากให้เขาลาบากเลยไม่อยากให้เขาทาอะไรเลยแต่เขาพอเขาทําอะไรไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งคนอื่นแล้วต่อไปถ้าไม่มีที่พึ่งเขาก็จะทํำยังไงเขาอาจจะต้องไปทําบาปเพื่อที่จะได้หาไรายได้มาไปลักทรพไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลแล้วทา การช่วยเหลือคนก็ต้องช่วยในขอบเขตช่วยให้เขายืนหยัดขึ้นมาได้ช่วยในพื้นฐานคือปัจจัยสีเออ่เขาไม่มีข้าวก็หาข้าว ใ, ให้เขากินเพื่อให้เขาพอเขามีข้าวมีกำลังแล้วก็ให้เขาไปหางานทำในไม่เช่นนั้นเราก็หางานให้เขาทำก็ได้เออขาจะได้มีรายได้ เ, ออเออขาจะได้ไปหา ปัจจัยสี่ของเขาเองตอบไปได้ไม่ใช่ใคอเดือดร้อนก็จ่ายเงินให้เงินให้เงินอย่างเดียวยังเงินหมดก็มาขอขอก็ให้ไปอีกนี่เขาก็สบายเขาก็ไม่คิดที่จะไปหาเงินเองช่วยแบบนี้ก็ไม่ดีช่วยเพื่อให้เขาไปหาเงินได้เช่นเขาไม่สบายไม่มีเงินไปรักษาโรคซื้อยาก็ ช่วยเขารักษาโรคภัยใก้กเจ็บให้เขาหายโรคแล้วพอเขาหายดีแล้วก็ให้เขาไปทำงานางานทำไม่ใช่ให้เงินต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือความกรุณาช่วยเหลือกันได้แต่ต้องมีขอบมีเขตซึ่งยุคนี้บางทีก็ช่วยเหลือแบบอย่างสํา อย่างทางต่างประเทศเ้าก็มีอะไรสังคม Social Security อันนี้บางทีก็ทำให้คนบางคนขี้เกียจทำงานไม่ทำงานก็ได้เงินไม่ทำดีกว่าอาอย่างนี้มันก็ผิดแต่ถ้าก็หางานไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่มีรายได้ก็ต้องช่วยเขาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร มั น, มนบางทีก็ยากเหมือนกันเรื่องของการช่วยเหลือนคนจะดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือไ ม, ไม่บางทีก็ไม่ไม่แน่ไม่แน่ น, นอนบางทีก็ต้องตรวจสอบบางคนมาเล่าเรื่องความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ฟังแต่ความจริงมันไม่ไม่ได้เดือดร้อนเพียงแต่มันขี้เกียจมันไม่อยากไปทำงาน <c oughs> แล้วก็มาหอกว่าแบบอย่างนี้ก็ช่วยก็ช่วยไม่ไหว ถ้าใครมาขอเงินอย่าให้ได้เขาขอเสื้อผ้าอ่พาไปซื้อเสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ซื้อเสื้อผ้าบานที่บอกไม่มีเสื้อผ้ามาขอเงินไปซื้อเสื้อผ้าพอได้เงินแล้วก็ไปซื้อเหล้ากินไปเล่นการพนันอย่างนี้ถ้าช่วยแบบนี้ก็ทําช่วยแบบนี้ก็ช่วยไม่ถูกช่วยให้เขาเร็วไม่ช่วยช่วยให้เขาดีขึ้น นี่คือการช่วยเหลือต้องมีความสงสารแต่เราต้องมีความมั่นใจว่าเขาเดือดร้อนจริงๆและการช่วยเหลือของเราทาให้เขาบรรเทาความเดือดร้อนได้จริงๆทำให้เขายืนบนลำแข้งลำขาของเขาต่อไปได้ทำให้เขาช่วยตัวเขาเองได้ต่อไปถ้าช่วยแบบนี้ก็เป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องควรจะช่วยกัน แล้วก็ควรจะมีมุติตาจิตต่อกันคือมีความชื่นชมยินดีต่อความเจริญต่อความสุขของผู้อื่นอย่าไปอิจฉาริษยากันเราทำเว็บแข่งกับคนอื่นคนอื่นเขามีคนเข้ามากกว่าเราเราก็อิจฉาเขาเราก็ไปหาวิธีตัดลูกค้าเขานี้ถ้าทำนี้มันก็ไม่มีมุดิตา วนนี้ตาก็น้องเออยินดีกับเขาเขาเก่งกว่าเราเขามีอะไรดีกว่าเราหนึ่งคนไปเข้าเว็บเขาได้มากกว่าเว็บเรานี่ก็โอเคเราก็ไปศึกษาดูว่าเขาทํำยังไงดีแล้วเราก็มาทําของเราแต่อย่าไปกันแกล้งกันอย่าไปอิจฉาลิสยากันควรจะชื่นชมยินดีกันจะได้เป็นมิตรกันได้เป็นเพื่อนกัน เหมือนกับเล่นกีฬาก็ต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะใช่ไมชาต่สมัยนี้บางทีเล่นกีฬาแพ้ก็พานโวยวายเขาโกงบ้างเขาอะไรบ้างกรรมการเข้าข้างบ้างอันนี้เรียงว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬาไม่มีมุติตาจิตแล้วทาให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแพ้แล้วยังต้องมาทุกข์กับการแพ้ของเราเองแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นเพียงเล่นกีฬาเป็นการทดสอบความสามารถ กันเท่านั้นเองอเราจะได้รู้ว่าเรายังเก่งไม่พอเราจะแร้ไปซ้อมให้มากขึ้นไปฝึกให้มากขึ้นเอานี้เราแพ้เราจะได้รู้ว่ามีคนเขาเก่งกว่าเราถ้าเราอยากจะเก่งกว่าเขาเราก็ต้องไปซ้อมให้มากขึ้นไปฝึกให้มากขึ้นเอาน่าแข่งกันใหม่เราก็อาจจะชนะเขาได้อย่างนี้จะดีกว่าึินแบบนี้ ใจก็จะไม่ทุกข์แล้วก็ต้องยินดีแล้วต้องมองมุมกลับว่าเวลาเราชนะ เ, เราก็อยากจะให้เขาชื่นชมยินดีกับการชนะของเราใช่ไเพราเราชนะด้วยความสะอาดใช้ ส, สะอาดเราไม่ได้ชนะด้วยการาใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเพียงการแข่งขันกันเท่านั้นเองเป็นการกีฬามันก็บอกแล้ว เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของกันและกันโดยในชีวิตจริงก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันกบกีฬาทำงานด้วยกันอาจจะแย่งตำแหน่งกันมีตำแหน่งเดียวแต่มีคนอยากได้หลายคนคนที่ไม่ได้ก็ควรที่จะแ ส, งสะแดงความยินดีกับคนที่ได้จะได้อยู่ร่วมกันทำงานต่อกันได้ถ้าไปอิจฉาริษยา ไปโกรธไปเกลียดเขาเราไม่ได้ตำแหน่งเราก็เลยไปเกลียดเขาไปคิดว่าเขามาแย่งตำแหน่งเราคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดมีความอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขอยู่กันแบบเป็นศัตรูไปแทนที่ยีอยู่เป็นเพื่อนร่วมงานกันคิดว่าเป็นการทำงานถ้าคนไหนมีความสามารถมากกว่าหรือเหมาะสมกว่าตำแหน่งนี้ก็ให้เขาไป คิดอย่างนี้แล้วก็จะร่วมงานกันได้เขาได้รับตำแหน่งก็ซื้อกระเช้าดอกไม้ซื้อกระเช้าเลยไปให้แสดงความยินดีนี่เรื่องมุดิตาจิตนะแล้วอีกการหนึ่งที่เราต้องฝึกให้มีก็คืออุเบกขาอุเบกขาก็คือต้องรู้จักทำใจ บางทีเราอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้ทำอะไรไม่ได้อยากไปทุกร้อนกับมันทุก็ไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงอะไรทุก็อย่าง ถ, า ถ, าถ้าทำหมู่เบิกขาทำใจยอมรับกับสภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ทั้งของเราและทั้งของคนอื่น เรที่เห็นคนอื่นทุกข์ก็ไปทุกข์กับเขาด้วยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพ่อช่วยเหลือเขาไม่ได้ช่วยทำให้เขาค้นทุกข์ไม่ได้มันเป็นกรรมของเขาเป็นวิบากของเขาก็ต้องยอมรับสภาพไปเป็นคนจะตายนี่จะไปห้ามเขาไม่ให้ตายก็ไม่ได้ถึงเมื่อจะเป็นคนที่เราลักเราเคารพ ก, ก็ตา่างถ้าเราไปทุกข์เราก็ ไม่ได้ไปช่วยเหรืออะไรทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆอยากให้เขาไม่ตายเลยทุกข์แต่ถ้าเราทําใจว่าออทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาออควบคุมบังคับไม่ได้ก็ต้องมาควบคุมบังคับใจเรา อย่ามาสร้างความทุกข์ให้กับเราหรืออย่าไปทำให้เราต้องไปทำอะไรไม่ดีเช่นคนที่เรารักถูกผู้อื่นทำร้ายเราก็อาจจะอาฆาตพยาบาทโกรธคนที่เขามาทำร้ายคนที่เรารักก็ได้อย่างนี้เราก็ต้องถ้าใช้เมตตาไม่ได้ก็ต้องใช้อุบเบกขาทาใจถ่ายังให้อาภัยไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าอย่าไปทำอะไร ทำใจคิดเสียว่ามันเป็นวิบากกรรมของคนที่ถูกทาร้ายก็แล้วกันอันนี้ก็แล้วเราจะได้ไม่ไปทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปสร้างความเสียหายกับผู้อื่นเมื่อไม่นานนี้มีปัญหากับคำเมนรนก็เสียคำเหรนก็ไปเผาสถานทูตไทยในคำเมรน คนไทยเราก็จะไปเผาสถานทูตไทยสถ า, านทูตของกขมรรู้สึกว่าในหลวงท่านบอกว่าตอนนี้เราเราเราดีอยู่นะเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาแต่ถ้าเราไปเผาสถานทูตเขาแล้วก็เลวเหมือนเขานะนี่คือวิธีที่จะทําให้เรามีอุเบกขาเราต้องดูการกระทําของเราว่ามันทําแล้วมันเกิดความเสียหายหเราก็ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรทำไปทำไรไม่ว่าจะเกิดความเสียหายกับผู้อื่นแลือเกิดความเสียหายกับตัวเราก็มไม่เกิดประโยชน์อะไรเราทุกข์ใจเราก็ต้องหัดทำใจอย่าไปทุกข์กับมันคิดว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วเขาก็เผาบ้านเราแล้ ว, ลวเราจะไปเผาบ้านเขาแล้วจะทำให้บ้านเราหายกลับมาได้หรือเปล่าไม่ได้ไปเผาบ้านเขาดีไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะมาฆ่าเราเีง เราต้องมีจัดทำใจอย่างที่เคยพูดเสมอว่าให้คิดแบบนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วก็ยังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คีดว่าดีแล้วก็ยังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกัน ถ้าเราตายแล้วเขาก็ไม่มาตามมาจังเจังกรรมกับเรนะแต่เราไม่ไปทำอะไรเขา้ำเราจะไม่ตายไปเราจะไม่ไปอาบายถ้าเขา่าเขาทำร้ายเราเราไปฆ่าเขาเดี๋ยวตายไปเราต้องไปอาบายไปใช้กรรมในอาบายแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราอยู่เฉยๆใจเราสงบเราก็ไปสวรรค์ชั้นพอมเลย นี่คือเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบให้เชื่องไม่ให้ไปก่อความวุ่นวายเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นให้ทําแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่มีคนมีประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วตนเองจะมีความสุขจากการทําความดีเหล่านี้ทําความไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่ถึงเหตุผลที่พูดตอนต้นว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้เพราะจะทำแต่ความดีจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนี่จะนำแต่ความทุกข์มาให้เพราะจะชอบทำแต่สิ่งที่ไม่ดีชอบโกรธเกลียดริดฉาอิศยาริดโกรธเกลียด แข่งแย่งชิงดีอิจฉาลิสยากันทำร้ายกันทําลายกันสังคมจะอยู่อย่างความนอมอย่างมีสุขหรือมีทุกข์ก็อยู่ที่การอบรมจิตใจของแต่ละคนเนียเราจึงมีโรงเรียนโรงเรียนนี่ก็เป็นที่อบรมสั่งสอนให้เรา อ, อบรมจิตใจแต่ พยาหนังนี้จะไม่ค่อยสนใจเรื่องอบรมเรื่องจิตใจเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องการให้ความรู้เพื่อจะได้โลกมากขึ้นจะได้อยากมากขึ้นมากกว่าถ้าโรงเนินแบบนี้ต่อไปสังคมก็จะวุ่นวายกันมากขึ้นเพราะขาดวิชาศีลธรรมไม่สอนดุวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้มีความเมตตาต่อกันวัวแต่สอนให้ฉลาดให้ให้รู้มาก ก็จะได้ความรู้นี้ไปแย่งสมบัติกันไปแย่งข้าวของกันได้มาก็าหัวไม่ยะไม่ให้มาแบ่งปันกันไม่ให้มาช่วยเหลือกันอย่างตอนนี้สังคมเราหลงไปในทางวัตถุมากเกินไปลืม เ, เรื่องของจิตใจเรื่องของการอบรมอบรมจิตใจให้มีความเมตตากรุณามุนีตาอุเบกขากัน ถามเด็กสมัยนี้รู้จักภมวิหารสีไหยไม่มีใครรู้หรอกเมตตากรุณามมฎิตาอุเบกขาเป็นอะไรรู้ไหยไม่รู้สังคมเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือไม่ก็อยู่ที่พภพวิหารสีนี่แหละถ้าเรามีภมวิหารสีเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าไม่มีพรภพวิหารสีต่อให้มีสมบัติล้ำอกองเท่าภูเขามันก็จะวุ่นวาย ไอ้แม่พวกที่ค้ายาเสพติดนี่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านแต่มันก็อยู่ด้วยอาวุธอ่ะมันคอยฆ่ากันคอยปกป้องรักษาสมบัติของกันเนี่ยเรากําลังไปหลงทางกันการศึกษาเรานี้เริ่ ม, มห่างไกลจากเรื่องศิลธรรมสังคม น, นี้ห่างไกลจากศาสนากันศาสนาอื่นก็ยังสอนให้คนเป็นคนดีกันทนะั้งนั้นสอนให้คนไม่เบียดเบียนกัน ทุกศาสนานี่สอนไม่ให้เบียดเบียนกันสอนให้ไม่ให้มีความเมตตาต่อกันให้ดูแลกันช่วยเหลือกันแต่ในนี้ไม่ค่อยไสอนกันอย่างนี้ก็เลยอาศัยเงินทองเป็นศาสนาเงินทองเป็นพระเจ้าก็เลยวุ่นวายกันไม่สงบ ต่อไปทุกคนจะต้องพกพาอาวุธไปไหนป้องกันตัวเองแม้วอย่างนี้ในประเทศสหรัฐนี่เขากดไมยให้ซื้อปืนนี่ทุกคนสามารถซื้อปืนได้นแล้วก็มาฆ่ากันเอง <c oughs> เพราะคนเวลาเครียดเวลาทุกก็ไม่รู้จะทําไง <c oughs> ก็ระบายด้วยการฆ่าคนอื่นเห็นคนอื่นเขาสบายก็เราก็อิจฉาเขาเกลียดเขาโกรธเขา เราทุกเราเดือดร้อนไม่มีใครเหลียวแลดูแลเราไม่มีใครช่วยเราเขามีแต่ความสุขกันเราก็เลยโกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมานีมีเงินซื้อปืนได้ก็ไปยิงกันใช่ไไปยิงคนในบา้านในผับกันนะกำลังเต้นำํำกำลังกินเหล้ากันส น, นุกไงยิงกันตายกันเบือ่อเพราะไม่มีไม่มีศีลธรรมไม่มีาศาสนาคอยสอนคอยเตือนใจ คอยอบรมจิตใจให้มีความเมตตาต่อกันนี่คือเรื่องของศาสนามีไว้เพื่ออบรมจิตใจของมนุษย์เราให้มีพรหมวิหารสี่ให้มีความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาต่อกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเราจะไม่อยู่แบบสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้จักควาว่าพรหมวิหารสี่ ไม่รู้จักความเมตตาเป็นยังไงไม่รู้จักการโณาเป็นยังไงไม่รู้จกักบุญิตาเป็นยังไงไม่รู้จักอุเบกขาเป็นยังไง<ม>ถ้ามนุษย์เราไม่มีพรมวิหารสีก็จะเป็นเหมือนกับปรับเดระฉา น, น, นก็ขอให้เรานําเอาคำพูดที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมดีแล้วนี่นําความสุขมาให้ ส่วนจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนี้จะนำความทุกข์มาให้ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรมติสาขลางังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกา ป, กปติ อิจิตังปฏทิตางตุมหังเกิดเมวะสมิตาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาอรโสยธามณิโชติอรโสยธาสัพ so พิติโยวิวัจ so จันโตสัพพารโควินัสตุมาเตภวตุอ ok ันตาราย สุขิที่ขายุโกภวะาภิวาทานัสสีลิสานิจังวุทธาปจายจิโนจตารุธรมมวะทานเตอายุวันโอสุขังภาลางมีคำถามไหมมีต่างชาติหรือเปล่านี่อ วันนี้ยังไม่มีชาติต่างชาติคนไทยคใช่ครับคำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับการเจริญสติในระหว่างวันผมภาวนาพุโทโธไปตลอดแต่ในขณะที่กำลังดำเนินการทำงานไปต้องมีการวิเคราะห์ใช้ความคิดกับงานจิตไปคิดวิเคราะห์กับการงานพุโทโธหายไปขณะที่ต้องคิดวิเคราะห์นี้น เราจะรักษาพุทโธอย่างไรจึงจะเป็นการดารงสติให้มั่นคงได้ระหว่างการทํางานในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องครับกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับก็ทําได้เท่านี้แหละเวลาทํางานเวลาต้องใช้ความคิดก็ต้องอยุดพุทโธเพียงแต่ว่าขอให้คิดอยู่กับเรื่องงานอย่าไปทะเลทรายคิดถึงพิซซ่าคิดถึงที่เที่ยวที่กินที่ดื่มก็แล้วกันอย่าให้มันคิดไปในทางความอยาก การมัรคฐาภาวะัานาวิภาวะหานะก็ยังพอที่จะมีสติได้แต่มันยังไม่นิ่งสู้มีสติแบบไม่คิดได้จะดีกว่าเลิกคิดอยู่เรื่องเดียวคือพุโทโธพุทโธไปแต่ถ้าคิดเกี่ยวเรื่องงานมันก็อย่างมากก็อาจจะทาให้เราเครียดขึ้นมาได้ถ้าทำงานแล้วบางทีมันมีปัญหามีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมามันก็ยังทำให้จิต ฟุ้งไดไ้ไม่สงบได้แต่ถ้าเราไม่ต้องทำงานนี้มันจะไม่ต้องคิดเราจะใช้พุโทโธได้ตลอดหรือใช้เฉพาะเวลาที่มันคิดเวลามไม่คิดเราก็หยุดพุดโทโธได้พุโทโธนี้เป็นเหมือนเบรกรถยนตเ์เวลารถวิ่งเราต้องการให้มันหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรคพอรถมันหยุดแล้วเราไม่ต้องเหยียบก็ได้พอมันจะไหลมันจะวิ่งก็ค่อยเหยียบมันหม่ ความคิดก็เหมือนรถยนต์เวลามันคิดไปทางความอยากหรือคิดอะไรต่างๆตอน ต, ต้นให้เราหยุดมันได้ก่อนเพราะส่วนใหญ่มันก็ไปทางความอยากทั้งนั้นหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปพอมันหยุดคิดมันไม่พุโทโธเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องพุโทโธเราก็ดูไปดูดูจิตไปว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่คิดมันรู้เฉย มันรู้ว่ากำลังทำอะไรก็ให้รู้กับงานที่เราทำไปโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดอย่างนี้มันจะทำให้เวลานั่งสมาธิจิตมันจะนิ่งจะหยุดคิดจะสงบได้เต็มที่คำถามจากคุณโอกาวะกราบนำมัสการพระอาจารย์กระผมเรียนสอบถามพระอาจารย์นะครับพระพุทธรูปทั้งที่เป็นองค์และที่ใส่กรอบที่ผมกราบไหว้บูชาอยู่ในที่บ้านผมเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่า ผมสามารถนำไปไว้ที่วัดหรือแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆหรือให้เพื่อนในงานขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมครับผมมีความรู้สึกว่ามันเยอะมากผมมองว่าคำสอนของพระพุทธองค์เหนือสิ่งของวัตถุต่างๆผมคิดถูกไหมครับกราบขอบพระคุณครับถูกต้องแล้วพระพุทธรูปนี้ก็มีไว้เพื่อดึงให้เราเข้าหาพระธรรมนะั้นั่นแหละพอเราได้พระธรรมแล้วเราก็ไม่ต้องมีพระพุทธรูป ตอนต้นเราต้องมีพระพุทธรูปก่อนเพราะเวลาเห็นพระพุทธรูปเราจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคาสอนแล้วพอเราได้ศึกษาคําสอนแล้วเราก็บางครัก็ไม่ต้องใช้พระพุทธรูปแต่คนส่วนใหญ่นี่ยังเข้าใจผิดที่ว่ามีพระพุทธรูปไว้เพื่อเป็นยามรักษารอปภปกป้องผีป้องป้องกันภัยต่างๆอันนี้เป็นความเข้าใจผิด พระพุทธรูปความจริงเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพุทธานุสติเป็นที่ให้เราเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะบางทีเราเมื่อมัวยุ่งกับการงานยุ่งกับเรื่องคนนู้คนนี้เราก็เลยไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดถึงคําพระธรรมคําสอนแต่พอเราเห็นพระพุทธรูปปับ๊บเนี่ยมันเหมือ น, นก็จะเหมือนก็เออคิดถึงคําสอนขึ้นมาทําบุญนะอย่าทํำบาปนะภาวนานะมันจะตามมางั้น ถ้าเรามีพระพุทธรูปเ ร, เ, รเราเราเราไม่ต้องการเราก็เอาไปแจกจ่ายได้ให้ใครก็ได้แต่ขอให้คนที่เขาอยากได้ก็แล้วกันให้คนที่เขารู้จักวิธีปฏิบัติกับพระพุทธรูปอย่าไปให้พวกฝรังเดี๋ยวมันไปติดไว้ในห้องน้ำเป็นเครื่องประดับไปเลยคำถามจากคุณสมองกราบนมัมาสการพระอาจารย์ยมขอความเมตตาคำชี้แนะจากพระอาจารย์ โยมมีหลานสาวเป็นคนอีกโก้สูงเอาแต่ใจตัวเองปากร้ายทุกครั้งที่มีเรื่องหมางใจกันหลานจะไม่เคยลดทิฐิมาพูดคุยด้วยสักครั้งแต่เป็นเราที่ต้องง้อพูดด้วยตลอดแม้ตัวเราจะไม่ใช่ผู้ผิดและทั้งที่โยมสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือในทุกๆด้านมาตลอด<ม>เวลาไหลเวลาหลานเดือดร้อนโดยเฉพาะเรื่องเงินตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายกับหลานอย่างว่าโยมควรวางตัวอย่างไรดีเจ้าคับ ปกติหลานหลานคนนี้หนีพ่อแม่ไปเรียนและใช้ชีวิต no um อย ate, ู่ต่างประเทศเกือบสิบปีโดยทิ้งไว้ให้น้าอาดูแลใช้เงินพ่อแม่เรียนทั้งที่พ่อแม่อายุมากและไม่อยากให้ไปก็เราต้องดูความจริงแล้วยอมรับความจริงเขาเป็นกล้วยอยากจะอยากไปอยากให้เขาเป็นสับพพลด์เขาก็ต้องเป็นกล้วยเขาเป็นอย่างนี้ก็เป็นคนอีโก้สูงจะไปให้เขาเป็นคนอ่อนน้อมทำตนได้ยังไง เขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเราคนเจลาศเราก็ถ้ารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปเปลี่ยนเขาแล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเท่านั้นเขาอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปแต่เมื่อเขาไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราเราก็ไม่ต้องไปคบค้าสมาคมกับเขาเพราะนี่ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากที่เราจะไปเปลี่ยนเขา แล้วเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเราเป็นเหมือนกล้วยกล้วยนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมกล้ว ย, ยไปเปลี่ยนให้มันเป็นสับ ป, ปะรดได้ไป่ะไม่ได้คนที่มีอีโก้สูงไปเปลี่ยนให้ก็เป็นคนอ่อนน้อมถอมตนได้ไหป่ะไม่ได้ทําได้ก็อย่างมากก็ถ้าเขาสนใจก็อยากจะเปลี่ยนก็บอกวิธีเปลี่ยนให้เขาเช่นไปศึกษาธรรมะไปอะไรต่างๆ แต่ถ้าเขาไม่สนใจก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดว่าเป็นอไม่ได้เป็นมิตรกันมาไม่ได้ทําบุญร่วมกันมาก็แล้วกันเองแต่บางเอ่ยต้องมาอยู่ด้วยร่วมกันก็ก็อยู่ด้วยความเมตตาไปก็แล้วกันอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาที่เราโกรธเขาเพราะเราอยากจะเปลี่ยนเขาเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ แทนที่จะมีเมตตากับไม่มีเมตตาสิคำถามจากคุณชานิขอเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหนูทำงานราชการไม่มีหนี้สินมีเงินเก็บอยากลาออกเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพราะไม่มีความสุขกับการทำงานไม่มีความสุขกับตัวเองไม่มีครอบครัวและตัวคนเดียวแต่พ่อแม่ไม่ให้ลาออกหนูมีความทุกข์มากหนูควรทาอย่างไรดีคะ ในเบื้องต้นก็ลองลองศึกษาลองปฏิบัติตามที่เรากำลังอยู่ยในขณะนี้ไปก่อนนะศึกษาทำแล้วก็ปฏิบัติทมในวันที่เราหยุดทำงานวันที่เรามีเวลาว่างถ้าต่อไปจิตเราสงบมากขึ้นมีธรรมมากขึ้นเราจะเห็นทางเองเราจะไปได้เราจะแต่ตอนนี้เราไปไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มี ความสงบไม่มีธรรมะพอเรายังไม่มีความมั่นใจที่จะสละทุกอย่างที่จะตัดทุกอย่างไปเพราะฉะนั้นตอนนี้พยายามสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นโดยการพยายามศึกษา <c oughs> พยายามปฏิบัติ <c oughs> เพื่อทำให้ใจเกิดความสง บ, บแต่สติเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันจะมีทางไปของมันเอง คำถามจากคุณไอซ์เบอรีกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนูนั่งสมาธิภาวนาพุทโธพร้อมตามดูลมหายใจบางครั้งสติตามไม่ทันรู้ตัวเอกทีลมละเอียดขึ้นหนูจะสะดุ้งเล็กน้อยแล้วสุดลมหายใจแรงขึ้นกลับมาเริ่มต้นใหม่หนูควรแก้ไขยังไงเพื่อให้สติตามจิตที่ดิ่งเร็วในบางครั้งทันคก็ต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งคนฝึกสติทั้งวัน คนควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าปล่อยให้มันคิดด้วยเปล่อยคิดไปตามความอยากต่างๆเช่นให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำอะไรก็เฝ้าดูมันไปจดจ่อดูอยู่กับการเคลื่อนไหวการทการทำต่างๆของร่างกายอันนี้เราก็จะมีสติ พอวันเรามานั่งมันก็จะไม่หายไปสติก็จะไม่หายหมดแล้วเนะมันมีคำถามน่อยเดี๋ยวเ็ายังส่งเข้ามาอยู่มั้งเดี๋ยวมันมีคำถามสำรองเนี่ยคาถามสารองถามว่าการที่ทาสมาธิค่ะสมาธิกับที่ประ ที่นดูศึกษาแล้วนก็ทำสองอย่างพร้อมกันเลยทำสองอย่างไม่ได้ไม่ได้หรอกต้องทําทีละอย่างบางครั้งหนูเคยบริกรรมของหรวงพ่อเรื่อยนะคะคุออ่าพท์ุยโทรศัพท์พอหนูไปไปทำวิปัสนาอีกที่หนึ่งก็ยุบหนอนว่าคองหนอาอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีเวลาทำมันจะแบบยังไงอะก็เรายังไม่ศึกษาเข้าใจว่าสมาธิเป็นยังไงวิปัสนาเป็นยังไง มันก็เลยเเแล้วคนสอนบางแห่งก็ใช้สับปนกันไปปนกันมาเลายไม่รู้หมาเป็นแมวหรือแมวเป็นหมาบางคนก็บอกไปนั่งสมาธิาาบางคนก็บอกไปนั่งวิปัสสนามันใช้กันแบบฟั่นเฟือเอเวลานั่งคือการปฏิบัติมันมีอยู่สองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าปัญญาเรียกวิปัสสนา าาเรแยกมันมคนละมันเรียนคนละห้องเรียนนะพูดง่ายๆเรียนคนละห้องเรียนเข้าใจไหมห้องสมาธิเข้าไปห้องหนึ่งห้องปัญญาเข้าไปห้องเหมือนเรียนวิชาเลขแล้วก็ไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเรียนพร้อมกันหรือเปล่าเรียนเลขกับประวัติศาสตร์พร้อมกันหรือเปล่าคือคือเรียนสมาธิมาก่อนศุลกาธิการนั่นนี่เราถามเนี่ยตอบคำถามเราสิคุณเรียนเลขกับเรียนประวัติศาสตร์พร้อมกันหรือเปล่าพอไหมอก็เรียน เวลาวิชาเลขก็เรียนแต่เลขวิชาประวัติศาสตร์ก็เรียนประวัติศาสตร์วิชาสมาธิก็เรียนแต่สมาธิวิชาวิปัสสนาก็เรียนแต่วิปัสสนาวิปัสสนาพอกับมาที่บ้านมาปฏิบัติมันจะจ ม, ม, นมันจะจะมามันยังไงมันสลับกันก็ไม่ฟังเราเนี่ยฟังเราเสร็จเนี่ยเราพูดให้ฟังไม่ฟังก็ต้องเรียนรู้วยเราตอนนี้เราจะเรียนอะไรเรียนสมาธิก็ต้องรู้ว่าสมาธิเป็นยังไงเรียนสมาธิไป แล้วเดี๋ยวจากจะรเรียนวิปัสสนาก็ต้องรู้ว่าจะไปเรียนวิปัสสนานี้จะต้องเรียนตอนไหนมันมีเวลาของมันมันไม่ใช่ที่จะทำแบบตามอารมณ์ตามความรู้สึกนึกคิดของเราขั้นต้นทั้นสอนว่าฝึกจิตให้สงบก่อนทำสมาธิก่อนวิปัสสนาอย่างไม่ต้องไปสนใจตอนนี้เอาแค่ทำจิตให้สงบก่อน วิธีจิตสงบก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกด้วยใช้พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าจิตมันจะรวมแล้วจะนิ่งจะมีความสุขเนีย่ยเรียกว่าสมาธิอันนี้พูดง่ายพูดแค่สองสามวินาทีแต่ปฏิบัติอาจจะยี่สิบปีสามสิบปีถึงจะได้สมาธินะ่งนั้นขั้นตอนนี้เอาสมาธิให้ได้ก่อนอาจจะพูดเรื่องวิปัสสนาให้ฟังก็ได้แต่มัน อันนี้เป็นเรื่องเอกกายกายกว่าต้องไปถึงสมาธิก่อนเหมือนจะไปกรุงเทพเนี่ยมันต้องไปถึงเมืองชนก่อนเอาแค่เมืองชนก่อนยังไม่ต้องไปคิดถึงกรุงเทพหรอกทาวิธีไหนทําให้ไปถึงเมืองชนให้ได้ก่อนพอถึงเมืองชนแล้วค่อยไปคิดถึงเรื่องไปกรุงเทพอันแรกนี้ทําจิตให้สงบให้ได้ก่อนเถอะทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งให้มันนั่งแล้วนิ่งเฉยๆนั่งอยู่สักชั่วโมงสองชั่วโมงให้ได้ก่อน น, นะเรียกว่าสมาธิถ้าเรานั่งนิ่ ง, งๆเฉยๆได้แล้วจิตมันจะมีกาลังที่จะออกมาไปทางปัญญาได้ตอนนี้ไปไม่ได้เพราะอะไรวะเพราะกิเลสมันดึงเอาไว้กิเลสมันจะให้เราคิดแต่หาเงินใช่หมหาแฟนหาเที่ยวหาอะไรต่างๆมันจะไม่ไปคิดหาความตายความแก่ความเจ็บหรอกมันจะไม่ไปคิดหาอาสุภะหรอกัมไม่คิดคิดไม่ได้ มันไม่มีกำลังจะคิดเพราะกิเลสมันดึงไปคิดทางนี้หมดคิดให้ไปหาเงินหาแฟนหาที่เที่ยวหาที่กินหาที่เล่นกันคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าไปนั่งสมาธิมันจะหยุดไอ้ความคิดเหล่านี้ไวเหมือนฉีดยาสลบทำให้ความคิดเหล่านี้ไม่ออกมาพอมไม่ออกมาเราก็สามารถสัง่งให้มันไปคิดทางวิปัสสนาได้ทางปัญญาได้ว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่สุขหรอก จิตนะแล้วต้องมีพลังอา่าก็ต้องมีสมาธิก่อนเนี่อออยอ่าเาใจเนี่ที่ถ้าเราไปศึกษาที่อื่ น, นี่เขาสอนทั้งสองอย่างควบคู่ไปเลยให้บรรลุทัภายในเจ็ดวันเลยใช่ไหมแต่ความเป็นจริงมีใครเนี่ยถามเหรอพวกที่มานั่งปฏิบัติเข้าคอร์สโกยเองก้าหรือที่ไหนมีใครได้จิตรวมเ ง, งินบ้างถามมาบอกให้เราฟังสักคนนะ แล้วก็ไปวิปัสสนากันยุ่งไปหมดเลยดูเว ด, ดูความรู้สึกที่วิ่งผ่านทั่วตัวไปหมดสะพานกายดูมันทําไมดูแลมันได้เลยไม่ต้องดูเด็กมันก็รู้ไม่ต้องไปมันนั่งวิปัสสนามันก็รู้ว่ามีความรู้สึกนี้แต่ความรู้สึกอันนี้มันไม่เป็นปัญหาความรู้สึกที่เป็นปัญหาก็คือเวลาปวดหัวเนี่ยมันเป็นปัญหาขึ้นมาปวดท้องเนี่ยเป็นปัญหาไหย ปวดท้องแล้วใจปวดตามด้วยใช่ไหมวิปัสสนามเรามาทําเพื่อให้เราไม่ต้องปวดใจไปกับปวดท้องเก็ะจแะแบบเวลาปวดท้องก็มันปวดท้องไปอย่างเดียวใจเราไม่ต้องไปปวดตามท้องด้วยอันนี้บบวิปัสนาเข้าใจอย่างตอนนี้ถ้าเชื่อเราก็ไม่ต้องไปสนใจวิปัสนาหรอกเอาแค่นี้แหละเอาแค่สมาธิ หรือถ้าอยากสนใจเรื่องวิปัสสนาก็ตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิค่ายนึกถึงเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆก็พอแล้วนี่ก็วิปัสสนาแล้วเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ท่องนี้ไปให้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาแล้วเวลาแก่แล้วจะได้ไม่ไม่ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายยังไม่ทุกเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเอไว วิปัสสนานี้ททำได้ตลอดเวลานอกจากเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเ อ, อเวลาอยู่ในสมาธินี่ไม่ให้คิดอะไรให้นิ่งเฉยเฉยให้จิตสงบแต่เราออกมาถ้าอยากจะวิปัสสนาปัญญาก็เนี่ยคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ้าจากผัวจากเมียจากลูกจากอะไรทุกอย่างไปคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอคิดได้ไหมเนี่ยปัญญาไม่มีขรยาจะคิดใช่ไ ถ้าไม่มีความสงบมันคิดไม่ได้หรอกคิดได้สองครั้งสองคราวก็หยุดคิดอ่ะยายเข้าไปห่วงห่วงความสวยงามของร่างกายแนละ้วห่วงป้าห่วงสิวห่วงอะไรขึ้นมาแนละ้วเ้าใจไหมแต่ถ้ามีความสงบแล้วมันไม่ห่วงมันสามารถคิดได้อ่า้าใจยังสมาธิกับปัญญาสมาธิกับวิปัสสนาเป็นสองวิชาไม่เรียนพร้อมกัน แล้วต้องเรียนวิชาที่หนึ่งก่อนถึงจะไปเรียนวิชาที่สองได้วิชาสมาธิมาก่อนอ่าแต่ยังไม่ได้จบสักทีนี่รู้เรียนของรียยังอ่าต้องจบอะไรล่ะจบการเรียนแต่แต่ไม่ได้จบสามปีแล้วอ่าแล้วนิ่งไหมล่ะก็มาไปนิ่งฮะนั่นสิเป็นบางครั้งอ่ให้มันนิ่งสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งให้มันนิ่งชั่วโมงหนึ่งอยู่าเงี้ยนั่งหลับตาสบายสงบแต่อย่าไปนิ่งแบบหลับนะ หลับแบบชั่วโมองนี้ก็ใช้ไม่ได้นะบางคนก็คิดว่าเข้าสมาธิแต่นั่งพอพับนี่เอาแล้วนะเข้าใจน ะ, ะมีคำถามเข้ามาแล้นะคำถามจากคุณจิตกราบเรียนถามพระอาจารย์นั่งสมาธิเกิดอาการเย็นซาบซ่านภายในระดับเป็นตลอดในขณะนั่งสมาธิ เกิดจากอะไรแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของผลที่เราได้รับจากการทำใจให้สงบพอใจสงบมันก็เรารู้สึกทราบทราบขนลุกเ็าเรียกว่าปิติแต่ยังไม่ถึงความสงบเต็มที่เราต้องไปถึงอุเบกขาจิตรวมเป็นหนึ่งแสงดาวว่รู้เราไม่ไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นคำถามจากคุณพีกราบนรมาสการครับ การปฏิบัติธรรมถ้ายิ่งมีความสงบจะยิ่งปลีกห่างจากลาบยศสะรรเสริญสุขหรือห่างจากเพื่อนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ขอให้พระอาจารย์ชี้แนะว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็ถูกแล้วไงการปฏิบัติเพื่อหาความสุขที่ดีกว่าตอนนี้เรามีความสุขที่มันเป็นความสุขร้อนความสุขที่ทาให้เราวุ่นวายใจเพราะว่ามันไม่แน่นอนสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา สา ม, มันดีสี่วันใข่บางวันเขาก็ดีกับเราบางวันเขาก็ไม่ดีกับเราบางวันเขาก็อยู่บางวันเขาก็ไม่อยู่มันก็ทําให้เราวุ่นวายใจไปกับเขาถึงแม้จะได้ความสุขจากเขาก็เป็นเป็นพักๆไปแต่เวลาเรามานั่งสมาธินี่เราจะได้ความสุขที่เสถียรกว่าที่มั่นคงกว่าที่ดีกว่าที่สบายกว่า พอเราได้ความสุขแบบนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างกันเหมือนขับรถอรถกระบะกับขับรถเบนซ์เนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างกันพอได้ขับเบนซ์แล้วมันจะไม่อยากจะขับกระบะแล้วเข้า<ฮ>ใจไหมอย่างถ้าคุณทํางานมีเงินเดือนมากขึ้นคุณเคยคบกับเพื่อนระดับนี้ต่อไปคุณก็ไม่คบกับเขาแล้วเพราะเขาไปกับคุณไม่ได้เขาไปกินกินอาหารร้านอาหารห้าดาวอยู่โรงแรมห้าดาวกับคุณไม่ได้แล้ว คุก็ต้องไปคบกับพวกอีกกลุ่มหนึ่งเข้าใจไหมไน้เวลาเรานั่งสมาธิจิตเราสงบเรามีความสุขมากขึ้นเหมือนเมือกับเรารวยขึ้นเราเราก็ไปอยู่กับกลุ่มที่เขารวยแบบเราหาความสุขแบบเราเราก็จะชอบไปอยู่กับพวกที่เขาปฏิบัติธรรมพวกที่นั่งสมาธิกันพวกที่เคยเป็นเพื่อนกินเหล้าเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรนี้เราก็ชักเราก็จะถอยห่างออกไปเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ยากกว่า ความสุขใหม่ที่เราได้มันละเอียดกว่ามันดีกว่ามันก็เป็นธรรมดาถ้าใครลองได้ปฏิบัติแล้วจิตเริ่มก้าวหน้าได้มีความสงบมากขึ้นแล้ว mm hmm. ก็อยากจะถอยห่างออกจากราบยศสรรเสริญ mm hmm. ถอยห่างจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเพราะมันสู้ไม่ได้สู้กับความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนัตติสันติพลังสุขถัง ไม่มีความสุขไหนที่จะเหนือกว่าความสงบผู้ง่ายๆคำถามจากคุณศรีสิริการที่ลูกปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆแต่เป็นคนที่สติปัญญาน้อยลูกจะพอมีทางได้บุญได้รู้ธรรมบ้างไหมครับลูกมีความยินดีในการปฏิบัติธรรมคะ่ะคือคนก็ต้องเริ่มจากการมีสติปัญญาน้อยทั้งทั้งมีมากก็เป็นพระพุทธเจ้าก็นไปหมดแนละ้วงั้นอย่าไปคิดว่ามีสติปัญญาน้อย คนที่นีคนที่คิดว่าตัวเองมีสติปัญญาน้อยเนี่ยเป็นคนฉลาดคนที่มีปัญญาเอ า, จาเจ้าบอกคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาแล้วเนี่ยเป็นขั้โง่เขายัางไงไถ้ามันเป็นมีปัญญาจริงมันต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ไปหมดแล้วอย่างนั้นคนที่คิดว่าตอนเองมีปัญญาฉลาดก็จะไม่อยากจะเรียนรู้ต่อไปคิดว่าเก่งแล้วใช่ไหมแต่คนที่ยังรู้ว่าตัวเองยั ง, ง, งโง่อยู่เนี่ยแสดงว่า อ, อฉลาดเพราะจะต้องเรียนอีกมาก งั้นเมื่อเรารู้ว่าเรายังมีสติปัญญาน้อยก็ขอให้เราพยายามศึกษาให้มากขึ้นฝึกฝนอบรมจิตใจให้มากขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นไปเองให้อยู่กับบัณฑิตเข้าหาบัณฑิตอย่าไปอยู่กับคนพาลคือคนโง่บัณฑิตคือคนฉลาดบัณฑิตคือใครก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละคือบัณฑิตที่แท้จริงพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อย คำถามจากคุณเต๋าพระอาจารย์พอแนะนําวัดเพื่อปฏิบัติธรรมได้ไหมครับก็ที่ไหนก็มีปฏิบัติก็ไปสิถ้าอยากให้เราแนะนําเราก็รู้จักวัดสายหลวงปู่มั่นเท่านั้นอ่ะลองไปเสิร์ช ค, ค้นดูในก o เกิลก็ได้วัดสายหลวงปู่มั่นเนะี่ยเดี๋ยวก็จะมีโผล่ขึ้นมานะครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกหลานหลวงปู่มั่นเอาจจะไม่ได้ศึกษากับหลวงปู่มั่นแต่ได้ศึกษากับลูกของหลวงปู่มั่นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกทีนะัน่นก็ ถ้าต้องการปฏิบัติก็ไปกับวัดสายวัดป่านี่แหละสายปฏิบัติสายของหลวงปู่มั่นหรือหลวงปู่ชาก็ได้หลวงปู่ชาท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันคําถามจากคุณสากราบนรมาชาการพระอาจารย์ตราบเรียนถามการสวดมนต์ถือว่าเป็นการทําสมาธิใช่ไหมคะการสวดมนต์ก็เป็นการฝึก ส, สติฝึกสติควบคุมความคิด ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆการจะทําสมาธิต้องนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ไม่รับรู้อะไรให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือถ้ายังอยู่ไม่ได้ก็สวดมนต์ไปภายในใจเบาๆก่อนก็ได้สวดเพื่อดึงใจให้เข้ามาหาลมพอดูลมได้ก็ดูลมเพ่งต้องเพ่งดูอะไรอย่างเดียวจิตถึงจะรวมเป็นสมาธิได้ถ้าส่วนนี้มันจะไม่รวมมันเพ่งอย่าทําให้ไม่ไปคิดฟุง้งซ่าน คำถามจากคุณน้ำฝนขอถามพระอาจารย์หน่อยค่ะแม่ของแฟนชอบพูดว่ากระแนกกระแนนหนูตลอดเลยค่ะตอนที่แต่งงานกับแฟนใหม่ๆก็ชอบพูดดูถูกว่าหนูจนพอหนูมาอยู่ก็ทำงานเก็บเงินทำทามีก็บอกว่าที่มีก็เพราะกูทั้งทั้งที่เราทำเองนะคะงงกับเขาค่ะหาว่าเราอยากได้สมบัติของเขาหนูก็เลยอยาให้ลูกชายเขาแล้ว แต่แกยังจะมากระแนบกระแนนอนอยู่อีกอย่าแล้วลูกชายแล้ว อ, อย่าแล้วก็แล้วกันไปเองอย่าแล้วมันต้องไปอยู่ด้วยกันคือ<ม>พูดง่ายๆคือเขาเขาไม่ชอบเราอะเพราะเราเป็นคู่แข่งกับเขาอะเราไปแย่งลูกเขาเขารักลูกพอเราไปเป็นเป็นภรรยาของลูกลูกเขาก็มาสนใจเรามากกว่าไปสนใจแม่เขาก็น้อยใจเขาก็เลยแฉลิศเสยเราเกียดเรา อ๋อเขไม่มีบุติตาจิตไงอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ถ้ามีบุติตาจิตต้องคิดว่าเออมันเป็นความสุขของลูกเรานะตอนรังลูกเราเราอยากให้ลูกเรามีความสุขเขาได้ภรรยาเราก็ต้องขอบใจภรรยาเขาที่มาให้ความสุขกับลูกเราต้องต้องต้องแสดงความยินดีกับภรรยาที่มาเป็นภรรยามาให้ความสุขกับลูกนี ấy. อย่างนี้พ่อแม่ไม่สามารถให้ความสุขแบบนี้ได้ก็เลยต้องอาศัยภรรยา แต่เขาคิดไม่เป็นไงแม่เขาคิดไม่เป็นเขาคิดว่ามาแย่งลูกเขาไปเขาก็เลยอิจฉาริษยาโกรธเกลียดเนี่ยเรื่องปกตินะดูละครน้ำเน่ากี่เรื่องก็เันเนี้แะแม่ผัว ก, กับลูกเซยยาไปมันก็อย่างนี้นั้นทําใจเถิดนะว่าเป็นอย่างนี้น้อยที่จะเจอแม่ผัวแบบที่ว่ามีมู้ดตาจิตที่จะรักเราเหมือนเขารักลูกชายนี่หายากอาจจะมีบ้างแต่ต้องเป็นแม่พระ เป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาเนี่ยเขาจะมีมุติตาจิตดังนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมดาอย่างแล้วก็ทําใจอย่างที่เราสอนอะ่ะถ้าเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราเขาเพียงแต่กันและกันนะเราก็ายังไม่ด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเราดังนั้นก็ถือว่าเราไม่มีบุญมาร่วมกันก็แล้วกันเราก็ไปอยู่กันคนละทิศคนละทางดีกว่าถ้าเจอกันก็ ถ้าไม่เสียมารยาทก็ยกมือไหว้ในฐานะเราที่เป็นผู้น้อย <c oughs> เป็นลูกแต่ถ้ า, าไม่มีความจำเป็นจะต้องเจอกันก็อย่าไปเจอกันครับคาถามต่อจากเมื่อกี้นะครับแม่แฟนหนูเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของหนูหรือเปล่าคะจะทำยังไงดีก็นั่นแหละอาจจะไม่เป็นก็ได้มันเป็นเรื่องของแม่แม่แม่ผัวกับลูกสะภ้ยเนะี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับศัตรูกันนะไม่ว่าไปที่ไหน ครอบครัวไหนถ้าแม่ผัวกับลูกสะพ้นี่มันจะไม่ค่อยกินกันหรอกเพราะมันไปแย่งสมบัติอันเดียวกันแย่งคนคนเดียวกันแย่งความรักจากคนคนเดียวกันคือลูกกับผัวน้่มันเป็นเรื่องปกติถ้าไม่อยากจะมีปัญหาอย่างนี้ก็อย่าไปาไปมีผัวไปบวชทีคําถามจากคุณครอบครัวโดนคนขโมยทองค่ะ อยากถามพระอาจารย์ว่าคนขโมยจะดี <c oughs> ะย่างไรคะอ๋อบาเสิบก็ทําบาปข้อที่สองอันเทมนาลักทรัพย์ของผู้อื่นก็เราจะแต่เราอาจจะได้บุญถ้าเราคิดว่าเป็นการทําบุญไปคิดว่าดีแล้วไม่ต้องไปถึงที่วัดมีคนมาลับของจากที่ที่บ้านเลยไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลาเราก็จะมีความสุขขึ้นมาเอคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กราบเรียนพระอาจารย์หลานอายุ25ปีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจริงหรือไม่ครับที่เขาบอกว่าวิญญาณจะเล่ร่อนจนกว่าจะครบอายุไขที่จะต้องมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ถึงจะไปเกิดใหม่ได้ค่ะเช่นถ้าหากหลานยังไม่ตายจะต้องมีชีวิตอยู่จนแก่ตายเมื่ออายุ70ปีไม่จริงหรอกเราจะไปเกิดใหม่นี่ช้าเ ร, เร็วอยู่ที่บุญที่บาปเราทำไว้เยะมากหรือน้อย ถ้ายัางต้องไปใช้บุญใช้บาปอยู่ก็ยังไปเกิดไม่ได้อบุญกับบาปนี่มันไม่มีกำลังที่จะดึงเราไปสวรรค์หรือไปนรกแล้วมันก็จะไปเกิดต่อคำถามจากคุณสุขคุณกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์เมื่อเดินจงกรมไปเรื่อยๆแล้วแต่จิตเราไม่สงบจะต้องเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะสงบแล้วค่อยนั่งภาวนาในขั้นตอนต่อไปใช่ไหมเจ้าคะตั้งแต่ กราบพระอาจารย์มาปฏิบัติทุกคืนเลยเจ้าค่ะคือถ้าเดินไม่สงบนนั่งมันจะสงบยากเนีนต้องพยายามเดินแล้วจะสงบหรือไม่สงบอยู่ที่สติเรามีพอหรือเปล่าถ้าเดินเฉยๆแล้วใช้มันสงบมันไม่สงบหรอกต้องเดินแล้วมีสติคอยกํากับใจเช่นให้มันอยู่กับการเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้มันไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะสงบ ออมาสงบแล้วแ้ว เ, เราอยากจะนั่งเราก็นั่งได้แล้วก็จะสงบได้ง่ายกว่าตอนที่เรายังเดินจงกมรมแล้วไม่สมบดันั้นการเดินจงกรมนี่เป็นการฝึกสติฝึกให้มีสติให้ดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่กับการเดินของร่างกายหรือให้อยู่กับคํำเอ่ยคำพุดโธไปถ้ามันอยู่กับ เรื่องเดียวได้เวลามานั่งมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะรวมได้ให้มันดูลมมันก็จะดูลมอย่างเดียวแล้วมันก็จะรวมเป็นสมาธิได้คําถามจากคุณซีนีโยมเพลินกับการภาวนาพยายามมีสติและนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้อัปปนาให้ทําต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ทำสติให้มากขึ้นเวลาที่เราเจอสติยังน้อย ควรเจรินตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยถ้าเราสามารถควบคุมใจบังคับใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ทั้งวันนี้มันใจมันจะนิ่งแล้วเวลานั่งมันจะรวมได้คำถามจากคุณอินทนนท์กราบนรมส ก, การครับผมมีความทุกข์ใจเรื่องพ่อครับเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบแม่ผมพยายามเป็นลูกที่ดี แต่ผมก็ต่อชู้กับความรู้สึกที่เขาเอาเปรียบแม่ไม่ไหวผมควรจะมองอย่างมีเมตตาหรือผมควรจะปล่อยวางครับผมอยากเป็นคนดีถ้าอยากเป็นคนดี<ม>ก็อย่าไปทาอย่าไปยุ่งกับพ่อมองพ่อว่าลองมองอีกมุมมองมองบุญคุณของเขาพอเขาถ้าไม่มีพ่อเราเกิดมาไม่ได้นั้นเราต้องยกเขาไว้เหนือเสียงเราเขาจะดีจะชั่วเราต้องปล่อยให้เขาดีชั่วไปตามเรื่องของเขา ส่วนแม่ที่จะต้องมารับก็ถือว่าเป็นกรรมของแม่ที่จะต้องมารับกรรมที่จะต้องมาอยู่กับพ่อแบบนี้ไปแต่เราห้ามเด็ดขาดห้ามไปแตะต้องพ่อไม่ว่าจะด่าพ่อหรือว่าจะไปตีพ่อถ้าพ่อนี้อย่าทําโดยเด็ดขาดมันได้ไม่คุ้มเสียเป็นการกระทําที่เสียหายเป็นนรกเป็นอนันตาริยกรรมยั้นก็พยายาม คิดเสียว่ามันเป็นเรื่องบุญกรรมของพ่อของแม่ที่ก็จะต้องเจอกันก็แล้วกันเราเป็นลูกเราเราไม่มีส่วนที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขานอกจากว่าถ้าเกิดพ่อเขาจะทำร้ายทำร้ายทำร้ายแม่ถ้าเราเข้าไปห้ามหรือไปหยุดได้ก็เข้าไปได้แต่อย่าไปทุบตีเขาก็แล้วกันจะไปช่วยแม่ถ้าใครนี่เ็าทุบตีแม่ก็ดึงแม่ออกมาให้เขาทุบตีเราแทนก็แล้วกัน คำถามจากคุณปากรพัสกราบน้ำมัศการครับแม่ของผมติดเฟซบุ๊กถึงขนาดโอนเงินไปให้หลายครั้งแล้วซึ่งตอนนี้ลูกๆ ก, ก็ลำบากเรื่องการเงินอยู่แต่พูดอะไรไม่ได้เลยครับขนาดตอนนี้ตาของแม่ก็จะมองไม่เห็นแล้วยังไม่หยุดเล่นเฟซเลยขอคำแนะนำครับก็เท่าว่าเป็นเรื่องของแม่เขาก็แล้วกันเงินก็ของแม่ไม่ใช่นะ ถ้าเห็นของแม่เราก็ปล่อยให้แม่เข้าไปถ้าเป็นความสุขของแม่เขาจะเล่นเฟซบุ๊กเขาจะเขาใช้เงินหน่อยซื้อของอะหรือว่าเฟซเฟซบุ๊กต้องใช้เงินด้วยหรือน่าน่าจับครับนี่คือของลูกเงินของลูกโอนไปให้หลายครั้งแล้วครับอ๋อก็ลองก็อย่าไปให้โอนท่านเราก็เปลี่ยนบัญชีใหม่แล้วกันอย่าไปบอกเโรยบัญชีท่าน คำถามจากคุณเคอาราบเรียนถามพระอาจารย์ดิฉันฝึกนั่งวันละชั่วโมงพอวันหยุดอยากนั่งสมาธินานขึ้นแต่ทําไม่พอครบชั่วโมงจิตจะออกจากสมาธิด้วยอัตโนมัติจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะก็ให้ลุกขึ้นมาเดินก่อนลุกขึ้นมาเดินเพื่อสร้างสติต่อพอนั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็จเจริญสติไปเดินไปจนหน้าท่มันเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่ ทำไปอย่างนีเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะนั่งได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะบังคับให้มันนั่งได้นานมันเคยนั่งได้เท่าไหร่มันก็จะนั่งได้เท่านั้นพอเหมือนกับรถยนต์ที่เราเติมน้ํามันเท่านั้นเน่ยพอถึงเวลามันน้ํามันมันก็หมดนสติเรามีกําลังเท่านี้ก็บังคับให้จิตนั่งได้นานเท่านี้ถ้าอยากให้มันนั่งนานกว่า น, นี้เราก็ต้องไปเพิ่มสติให้มากขึ้นวิธีเพิ่มสติก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อ เดินพุโทโธพุธโทโธต่อไปอย่าไปคิดอย่าไปทำอะไรถ้าไปทำแล้วมันจะใช้ความคิดแล้วมันจะสติมันจะไม่เพิ่มถ้าต้องการเพิ่มสติต้องไปเดินจงกรมแต้พอเดินจนเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งใหม่ต่อไปมันก็อาจจะยาวขึ้นจากชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงครึ่งอะไรไปได้คาถามจากคุณเบญจวรรณภาวนาบนเขาภูหลภาวนาบนเขาภูว เวลาสงบใจจะมีความรู้สึกขึ้นที่ใจขนาดเดินจงกรมขึ้นมาว่าโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงจะมีขึ้นในใจในการปฏิบัตินี่คือปัญญาใช่ไหมครับใช่แต่ต้องเอา <c oughs> ปัญญานีมาใช้ <c oughs> ไม่ใช่รู้เฉยๆถ้ารู้ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนก็ต้องเอามาใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่ว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน ร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราต้องมาฝึกปล่อยวางของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะถ้าเราปล่อยได้เราจะไม่ทุกเวลาที่มันจากเราไปถ้าเรายังปล่อยไม่ได้ความรู้ที่ผุดขึ้นมาก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรต้องเอามาใช้ต้องเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปมีดีกว่ามีสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือความว่างเปล่า ความว่างเปล่านี้มีอยู่ตลอดเวลาแต่แฟนนี่มีชั่วขา่าวสมบัตินี้มีชั่วขา่าวอะไรต่างๆมีชั่วขา่าวมีแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแต่สิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาก็คือความว่างเปล่าให้เรามาอยู่กับความว่างเปล่าดีกว่าถ้าเรามีความสงบเราก็จะอยู่กับความว่างเปล่าได้ <c oughs> คาถามจากคุณวิภาคนที่ตายเขาบอกว่าถ้ายังไม่ทําบุญหนึ่งร้อยวัน เขาจะคอยอยู่ไม่ไปไหนไม่จริงหรอกตายพวกเขาคอยไม่ได้หรอกบุญบาปไปมาหนึ่งไปนะนั้นเปนความเชื่อไปเฉยๆท่นเองคําำถามจากคุณนันทชพรกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาที่ร่างกายเราเจ็บป่วยไม่มีแรงนั่งสวดมนต์มีวิธีอย่างอื่นไหมเจ้าคะเห็นจิตหลงไปคิดแต่เรื่องอดีตที่เคยทำร้ายเรา เราควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะก็สวดตอนที่นอนก็ได้เวลาจิตนี้มันสวดได้ทุกเรยาบทถ้ท่ายืนถ่านั่งถ่านอนถ่าเดินสวดได้ตลอดเวลางั้นถ้าไม่สบายนอนอยู่ก็สวดได้สวดไปแล้วสวดทัื่หยุดความคิดอย่างไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเราสวดได้เพ็นแต่ว่าถ้าเราสบายไม่นิยมนอนสวดเพราะกลัวจะหลับกันแต่ถ้าเราไม่สบายแล้วสวดแล้วหลับก็ดี มืนกินยานอนหลับมันจะได้ไม่ต้องทรมาน ก, กับความเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นสวดได้เวลาไม่สบายก็นอนสวดไปนอนสมาธิไปคำถามจากคุณมนตรีกราบเรียนพระอาจารย์เวลาสวดมนต์แล้วปวดเมื่อยที่ขาผมหยุดแล้วเปลี่ยนท่าสลัดแขนขาเปลี่ยนอริยาบดจะเป็นบาปไหมครับเวลาทําเสร็จแล้วเหรอ เวลาสวดมนต์แล้วปวดเมื่อยครับเขาก็สลัดแขนขาเปลี่ยนอาลยโหดในการนี้จะบาปไหมครับ อ, อ๋อมันไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่า <c oughs> เวลาเราสวดก็เราก็ควรจะสวดให้มันจบก่อนต้องอย่าไปสนใจกับการการเจ็บความป่วยทางด้านร่างกายเพราะเรากําลังฝึกสติฝึกจิตให้ปล่อยวางร่างกายไม่ให้ไปสนใจกับเรื่องของร่างกายพอต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ทําใจได้ เดี๋ยวเอาคาถามสุดท้ายกันแล้วกันนะคําถามจากพิมแจ๊กกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับกระผมฟังธรรมะทางสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นประจํขาขณะฟังจะรู้สึกสว่างจิตจะสงบเป็นอย่างยิ่งหากหยุดฟังแล้วมานั่งสมาธิต่อจิตไม่นิ่งสมาธิไม่ค่อยดีจิตไม่สงบและนั่งอยู่ได้ไม่นานควรทําสมาธิวิธีไหนถึงจะเหมาะสมครับ พอสติเรายังมีกำลังไม่พ อ, อก็ถ้าเราสงบด้วยการฟังธรรมแล้วก็ลองฟังธรรมต่อไปหรือไม่เช่นั้นเราลองสวดมนต์ไปก็ได้หรือบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียว อ, อย่านั่งเฉยๆโดยไม่มีการกำกับใจอย่านั่งเฉยๆแล้วจะให้มันสงบเหมือนกับนั่งฟังธรรมไม่ได้การเวลานั่งฟังธรรมใจเราเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมมันก็เลยไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆมันก็สงบได้ แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆถ้าเราไม่มีอะไรกำกับใจไม่มีอะไรให้ใจเกาะมันเดี๋ยวจะมันจะคิดคิดแล้วมันก็จะไม่สงบงั้นถ้าอยากนั่งให้มันสงบ ก, ก็ต้องพุโทโธไปหรือเฝ้าดูลมหายใจไปหรือสวดมนไปดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเราแต่ตอนนั้นเราก็ลองใช้อันนั้นไปดูเอาแล้วนะ่าคิดว่าวันนี้สมควรแก่เวลา